นวิปากัตุกไกาสาร้อยยี่สเหตุปัจจัยกับนวิปากัปจ์ใจมี17บาระอารามณปัจจัยกับนวิปากัปจ์ใจมีเจ็ดบาระอธิปติปัจจัยกับนวิปากัปจ์ใจมี17วาระอนันตรปัจจัยกับนวิปากัปจ์ใจมีเจดบาระสมานันตรปัจจัยกับนวิปากัปจ์ใจมีเจดบาระ สหชาตปัจจัยกับนวิปากัปัจจัยมี17วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีเจดบาระนิสียปัจจัยกับนวิปากัปัจจัยมี17วาระอุปนิสยปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีเจดบาระอุเรชาตปัจจัยกับนวิปากัปัจจัยมีเจ็าระอาเสวณปัจจัยกับนวิปากัปัจจัยมีเจดบาระ กรมปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี17วาระอาหารปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี17วาระอินเตรียปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี17วาระชานปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี17วาระมัคคปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี17วาระสำปรยุติปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี7วาระ วิปยุตตะปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี17วาระอธิปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี17วาระนาฏิปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีเจวาระวิคตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมีเจวาระอวิคตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยมี17วาระติกนัย อารามณปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนาเหตุปัจใจมีสี่วาระอนันตรปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนาเหตุปัจใจมีสี่วาระสมันตระปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนาเหตุปัจใจมีสี่วาระสาชาตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนาเหตุปัจใจมีสี่วาระอัญญมัญญะปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนาเหตุปัจใจมีสี่วาระ นิสัยปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสี่วาระอุปนิสัยปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสี่วาระอุเรชาตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและน่ะเหตุปัจจัยมีสี่วาระอาเสวณปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสี่วาระ กรมปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนาเหตุปัจใจมีสี่วาระอาหารปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนาเหตุปัจใจมีสี่วาระอินทรียปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนาเหตุปัจใจมีสี่วาระชานปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนาเหตุปัจใจมีสี่วาระมรคปัจจัยกับนวิปากับปัจจัย แล้นะเหตุปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตาปัจจัยและนวิปากับปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสี่วาระวิปยุตตาปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสี่วาระอธิปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสี่วาระนัธถิปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสี่วาระ วิคตปัจจ hmm. ัยกับนวิปากับปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสี่วาระอวิกตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีสี่วาระเจตุกนัยสาชาตปัจจัยกับนวิปากับปัจจัยนเหตุุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญาปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนิตยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ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 นัอาหารทุกกไหนสามร้อยยีสหชาตปัจจัยกับนัอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนัอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยะปัจจัยกับนัอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระกัมมปัจจัยกับนัอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอินตรียะปัจจัยกับนนกอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระ อธิปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บย่อนอินทรียทุกขนัย324สหชาตปัจจัยกับนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสียปัจจัยกับนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระ กรรมปัจ anyway> ัยกับนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระในมุงเรพย่อนชานะทุกกนัย325อารามณปัจจัยกับนชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระ อนันตรปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระสมันตระปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระสหาชาตปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญาปัจจัยกับนชานัปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสัยปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิสัยปัจจัยกับนชานัปัจจัยมีหนึ่งวาระ ปุเรชาตปัจจ <right> ัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนชานัปัจจัยมีหนึ่งวาระอินตรียปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระสมปยุตตปัจจัยกับนชานัปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยกับนชานปปัจจัยมีหนึ่งวาระ อธิปัจจัยกับนัชชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระนัธถิปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระวิขตปัจจ umm ัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิขตปัจจัยกับนชานปัจจัยมีหนึ่งวาระละจตุกนัยสหชาตปัจจัยกับนชานปัจจัยนัเหตุปัจจัยและนัอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละ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 อารามณปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระสมานันตรปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยญาปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปนิตยปัจจัยกับนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระ ปุเรชาตปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวะนปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระกามะปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปากปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอินตริยปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระชานปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระ สัมปยุตตาปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนตฏิปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระวิกตปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิกตปัจจัยกับนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระและจตุกัย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 ชานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิ ป, จจอปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวานระองเล็บย่อนสัมปยุตตาทุกไนัามยยี่เหตุปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปฏิปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีหาวาระ สห acha ตปัจจัยกับนสสัมปยุตตปัจจัยมีหวาระอัญญมัญญะปัจจัยกับนสสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระนิตยะปัจจัยกับนสสัมปยุตตปัจจัยมีหวาระกรรมมปัจจัยกับนสสัมปยุตตปัจจัยมีหวาระวิปากปัจจัยกับนสสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนสสัมปยุตตปัจจัยมีหวาระ อินทรีย like ์ปัจ <ascend> จัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระชานาปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระมรคปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอวิคตตปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระติกไน สหชาตปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิคตปัจจัยกับนสัมปยุตตปัจจัยและวนเหตุตัปัจจัยมีหนึ่งวาระเล็บย่อนวิปยุตต์ทุกกนัย328เหตุตัปัจจัยกับนวิปยุตต์ปัจจัยมีสมวาระอารามณปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระ อธิปติปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระสมานันตรปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญาปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนิสียปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระ อุปนิสยปัจจ so ัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระกรรมมปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอินตริยะปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระ ชาณปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตะปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระนาฏิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสาวาระวิกตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระ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 สหชาตปัจจัยก anyway ับนวิปยุตตัปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญะปัจจัยกับนวิปยุตตัปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระนิติยปัจจัยกับนวิปยุตตัปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอุปนิติยปัจจัยกับนวิปยุตตัดปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอาเสวะนปัจจัยกับนวิปยุตตัปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ กามปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระอินตริยปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระชาณปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีสองวาระมัคคะปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยและนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ สัมปยุตตะปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยและนาเหตุุปัจจัยมีสองวาระนาทิปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระวิขตปัจจัยกับนวิปยุตตปัจจัยและนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอวิขตปัจจัยกับนวิปยุตตะปัจจัยและนาเหตุุปัจจัย มีสองวาระจตุกนัยสหชาตปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยนเหตุปัจจัยและนารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนิสียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระ อินทรีย์ปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระในมงเล็บย่อกับโนนัตถิปัจจัยและโนวิคตปัจจัยในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับนอารรมนัปัจจัยปัจจนิยานุโลมในปัจยาา จ, จ, จยวานจบปัจจยวาน up.